ความดีข้อที่สคือความดีที่ทำผิดหรือทำถูกกาลเทศะในแคว้นหลูราษฎรถูกจับไปเป็นเชลยในแคว้นอื่นเมื่อมีคนไทยมาได้ส่งคืนแคว้นหลูไปก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพราะสมัยชุนชิวนั้นต่างก็ตั้งตัวเป็น อ, องคกันรบปราฆ่าฟันช่วงชิงเขตแดนกัน จับเฉลยศึกได้ก็นำไปเป็นข้าทาสทั้งชายหญิงแคว้นหลูเป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกำลังไปสู้รบกับใครนักจึงมักถูกแคว้นอื่นบุกเข้ามาจับราษดรไปเป็นทาสเสมอใครใจบุญอยากทำความดีก็นำเงินไปไถ่าทาสมาคืนก็จะได้รับรางวัลทันทีต่อมาท่านจือ้อกงซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านของจือท่านก็ไปไถ่เฉลยศึกมาคืนแคว้นหลู แต่ไม่ยอมรับเงินรางวัลเพราะท่านมีฐานะดีอยู่แล้วทำไปโดยมิหวังผลตอบแทนใดๆแต่เมื่อท่านคงจือทราบเรื่องเข้าท่านก็โกรธลูกศิษย์ของท่านมากท่านบอกว่าแคว้นหลูนั้นคนจนมากคนรวยมีน้อยต่อไปนี้คงจะไม่มีใครกล้าไปไถ่เชลยศึกมาอีกแล้วเพราะท่านจือก้องไปทำตัวอย่างเอาไว้เช่นนั้น ก็มีแต่คนที่มีฐานะดีจึงกล้าเอาอย่างท่านจือ้อกงได้ส่วนคนที่โลภเงินรางวัลคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินนักกดีต่างก็ไม่ทำความดีอีกต่อไปเพราะไม่ได้เงินรางวัลจะทำไปทําไมดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบัณฑิตนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังจะทำอะไรผิดไม่ได้ คนก็จะพากันทำตามอย่างผิดผิดไปด้วยความดีก็เลยเป็นความดีปลอมไปมีผู้แย้งมาว่าพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ทำความดีเพื่ออาวิสินจ้างผู้ถอดความมีความเห็นว่าท่านเหลียวฝานหมายถึงเมื่อมีเจตจำนงจะทำความดีส่วนผลตอบแทนนั้นถ้าพึงได้โดยชอบทำแม้ตนเองไม่ต้องการ ก็สามารถนำไปทำความดีเพื่อผู้อื่นอีกต่อไปได้เช่นท่านจือกงเมื่อท่านรับเงินมาแล้วท่านสามารถนำเงินไปไถ่ายคนมาให้กับแคว้นหลูได้อีกเป็นการทำความดีที่ต่อเนื่องไปสู่ประโยชน์สุขของผู้อื่นได้อีกมากมายและไม่เสียธรรมเนียมของแคว้นหลูเป็นการไม่เสียหายทั้งทางโลกและทางธรรมจึงไม่ขัดกับคาสอนของพุทธศาสนาเลย ท่านจืลู๊ซึ่งก็เป็นสิทธิเอกของท่านของจืรเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งท่านจืลู๊ได้ช่วยคนตกน้ำไว้ได้ชายนั้นให้วัวตัวหนึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตไว้ท่านจืลู๊ก็รับเอาวัว น, นั้นมาท่านของจืรเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจมากท่านพูดว่าต่อไปนี้แคว้นหลูของเรานี้จะมีคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกเพราะเมื่อทาความดีแล้ว มีคนเห็นความดีและได้รับการตอบแทนทันทีใครๆก็อยากจะทำความดีเช่นนี้กันมากขึ้นแต่ในสายตาของชาวโลกแล้วจะต้องมองในทัศนะกลับกันกับท่านองจื่อเป็นแน่ชาวโลกจะต้องเห็นว่าท่านจือ้อกงดีช่วยคนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนท่านจืรูนั้นไม่ดีช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการตอบแทน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 ถ้าไม่มีคนถือสาเห็นว่าการให้อภัยเป็นคุณธรรมที่ดีนี่เป็นการทำความดีที่ผิดเพราะคนพานนั้นก็ยิ่งได้ใจกล้าทำความผิดหนักยิ่งขึ้นคนพานก็จะถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้คนพานเหิมเกรมหาทางกำราบเสียก่อนที่จะสายเกินแก้ก็จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นบางครั้งการไม่ให้อภัยคนพาน